อาวไปจําที่ลูกหลานศรัทธาญาติโยมพาเนนลูกลานอยู่ในความสงบจะมีปากไม่เสียงแต่หลวงพ่อห้ามไม่ได้แต่ชนีสมชายนั่นวะไอชนีสมชายมันร้องไม่รู้จะห้ามมันยังไงวะมีแต่อย่างมากกับมีอย่างจะติ๊กนะสอนมันมึงอย่าร้อง แต่มันก็ดีนะช น, นีร้องไง น, นะหลวงพ่อทราบข่าววันวานเมื่อก่อนบอกว่าหลวงพ่ อ, อ ก, บ ก, กบจะกินอาทิตย์น่ะกบจะกินเดือนกบจะกินพระอาทิตย์คือสุริยุปสุริยุปปาคาจันทรุปป่าคาสุริยุก ป, ปาคาเมื่อวานแต่ โยมที่บอกปรบอกเมื่อก่อนนะั่นเหมือนบอกหลวงพ่อดูแลหลวงพ่อประมาณเจ็ดโมงนะัสุริยุปราคาจะกินพระอาทิตย์ดวงพระอาทิตย์นะลงพ่อก็บอกตะวันก่อนแต่เขาบอกไหมหลวงพ่อผมบอกผิดนะวันนี้วันนี้นนเหมือนกันพอหลวงพ่อนั่งรถออกไปไปถึงบ้านผือพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเออดูดูใช่ไหนะ เห็ุนะี้ย่งหนึุ่ลยุปปาคาเมื่อวานเกือบเต็มดวงเลยจากนั้นหลงพ่อก็อเข้าไปในงานแต่วันนี้เขาบอกออกนะเขาบอกว่าวันนี้จะมีพายุฝนพายุระดูร้อนจะเข้ามาจะมีลูกเห็บด้วยเพราะนั้นยน่อุตุประจําวัดของเราก็ประกาศนะสมชายประกาศมานั่นเห็นไหมนะ ระวังเนะ้อกูบาทั้งหลายเนะ้อกูบาทั้งหลายเนะ้อสัตยาญาติโยมทั้งหลายเนะ้อฝนจะมาแล้วนะเน่เห็นไหมนะมันร้องเอาจริงเอาจังเหลือเกินวันนะี้มีส่วนเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราให้ร ะ, ระวังเนะ้อพระใหม่กูบาใหม่ทั้งหลายเพราะต้นไม้ในวัดของเรามันใหญ่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงระวัดระวัดนมัดระวัง วันนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะ่โดยมากพายุรดูร้อนเนี่ยจะมาประมาณสักตอนบ่ายบ่ายโมงนะบ่ายโมงสองสามสี่ห้าโมงเย็นขณะนี้แหละจะไม่มาตอนเช้าแล้วก็ไม่มากลางคืนตามปกตินะจะมาจะประมาณสักบ่ายสองโมงไปถึงบ่ายห้าโมงนี่แหละให้ระมัดระวังพระเก่า ตีหลวงพ่อเคยบอกเคยเตือนก็ บ, บอกพระใหม่ให้ดอให้อยู่ให้ดูว่าความปลอดภัยของตอนเองนะอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ให้เวลามันมามันมันจะเสียงดังซะก่อนหรอกมันจะไม่มาทีเดียวมืดเคิมกข้ามาก็เสียงดังอูอู อ, อ, อ, อ, อูพอดังเสียงอูอแล้วก็สีแดงนะอย่าไปอยู่มกอยู่กติไปได้นะ เออไม้ล้มทับกุฏิตายนะถ้ามันอู้อูขึ้นมาแล้วก็รีบออกจากกุฏิเลยให้มาศาลาถ้าอยู่ใกล้ศาลาหลังนี้ให้อยู่ใกล้ศาลาให้มาศาลาให้อยู่ใต้ถุนศาลาอแล้วก็ให้อยู่ในเนี่ยเข้าไปอยู่ในแท่นพระเนี่ยใต้ใต้ฐานแท่นพระเนี่ยหลวงพ่อเทเหล็กอย่างหนาเลย ขนาดต้นไม้โคนเนี่ยหลวงพ่อก็ยังรับรองเลยว่าฐานพระหลวงพ่อเนี่ยไม่ไม่สะเทือนเลยหรนะือว่าขนาดเหมือนกับเทตองรองสะพานเนะี่ยเพื่อรองรับพระประธานนะคิดว่ามันจะหนักนะนะนะถ้าใครมากับวิ่งเข้ามาอยู่ในะใต้ถุนสลาเนี้ยเข้าไปในห้องห้องแท่นพระก็ได้ถ้ามันลมแรงจริงๆนูนสะพานใต้ถุนสะพานนะ เ, าเข้าไปอยู่ใต้ถุนสะพาน ก็ได้ทำให้อยู่ใครอยู่ใกล้กำแพงหมาไม่ถึงวิ่งเข้าไปก็ไปไปพิงกำแพงกำแพงวัดผ่อนกรีดนะท่จงยังไงก็ไม่ล้มนะทำให้แรงจริงๆแล้วก็ไปนะจะให้อยู่ใกล้ต้นไม้ยอมเปียกถ้ามันเปียกไม่เป็นไรถ้าไม้คนทับร า, าคาหักแขนหักนั่นแหละรักษายากกว่าฝนตก ฝนตกมันเปียกแล้วก็พอฝนหยุดแล้วก็กลับกุฏิถ้ามันอยู่ใกล้ค่ำเนี่วิ่งโป๊ดมากัเอาไฟฉายมีถุงพลาสติกตือหลวงพ่อเตือนอะไรอย่างนี้เนะ่เตรียมถุงพลาสติกไว้แหววิ่งออกมานเนี่นนะยใส่ผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกใส่ไฟฉายมัดให้ดีหาที่กำบังเตรียมร่มเอาไว้อร่มร่มไฟฉาย ไม่ใช่พอฝนตกหยุดเลมากุฏิก็ไม่ได้ไม่มีไฟฉายมันก็ไม่ได้นะนี่แหละเวลาฝนตกลมแรงให้บอกกันอันนี้คือบอกความปลอดภัยให้เพราะเราอยู่ในป่าเหมือนผาแดงปีก่อนนั่นอ่ะโอ้โหมันมาปัน่นพื้นลาบไปหมดเลยนั่นแหละมันไปสายถ้ามันจะไปเป็นทางไปน่ะ น, นะ ลมแรงนะฟ้าฝนนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะพวกเราอย่าไปชะล่าใจใครอยู่ในกุฏิหลังไหนให้ออกมาตั้งอยู่ในครัวก็เหมือนกันถ้าได้ยินเสียงอู๊ดอู๊เราบอกกันให้มาอยู่ที่ครัวครัวทํำอาหารนตรงนั้นปลอดภัยพอเหตุไรเพราะไม่มีต้นไม้หลังคาก็มั่นคงแข็งแรงต้นไม้ก็ไม่มีที่จะโค่นทับไปยืนไปรวมอยู่รวมอยู่จุดนั้น ้ามันมีลมแรงทา ม, มากกว่านั้นกว่นั้นออกไปทั้งสวนป่าลำไยญ่นะไปพิงอยู่ข้างกำแพงตรงใดตรงหนึ่งก็ได้อยู่ป่าลำไหญ่จะไปยืนอยู่สั้ดเยี่เข้าสลาใหญ่นะชะลาใหญ่ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะหลังนั้นอนะ่พะพอมันลมแรงมันหมุนอาจจะหลังคาเปิดก็ได้ลมแรงแรงจริงๆนะลูกหลานนะอันนี้บอกความปลอดภัยเอาไว้ ใครบอกกันพวกคูบาเก่าช่วยๆกันบอกคูบาใหม่อยู่ยังไงคูบาใหม่คุเมือนกันงโงเโชื่อๆเ ง, งๆิะๆงอะงะไม่ได้นะหลวงตหลวงพ่อบอกแล้วนะ่ยสอนแล้วนะ่คือนะ่คือความปลอดภยัยเวลาฟ้าฝนมาอันนี้เขาบอกมานะเขาบอกมาทังตลดทัศทางวิทยุเขาบอกว่าพายุ โซนร้อนจะเข้าอีสานวันนี้แหละวันหึืวันพุ่ง น, งนี้เข้ามาทางจังหวัดเลยนะ้องอุดรแต่เราดูดูก็ไม่มีวี่แววนะวันนี้นะไม่มีอะไรมีแต่เสียงชนีสมชัยมันเตือนเท่านั้นแนะไม่ใช่ว่าเตือนลมเตือนแรงก็ไปราบเหมือนกันให้ฟังๆเอาไว้นะขณะเราจะลงจากบ้านนะจริงจบมันทักไปโยนคนโบราณก็ให้รามัดระวังจิงจบมันทักกนะัะ เวลาเราจะลงจากบ้านอันนี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์เขาก็เตือนมาไอ้สมชายก็เตือนอีกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังนะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่แหละอันนี้คือพายุเขาว่ากนะันนานี้ต้องระวังนะเดือนมีนาเมษ า, มาพฤษภาสามเดือนในวัดของเราเนี่ยต้องระมัดระวังถึงหลวงพ่อจะไม่ได้พูดได้กล่าวก็ก็ให้สังเกต ทำมันเสียงดังอู้อู้สีแดง huh? ม า, าทางทิศตะวัน land, ตกโดยมากมันจะมาทางทิศตะวันตกนะอโดยมากแต่ไม่ใช่ว่าจะมาทางเดียวไม่ใช่อู้อูมาทางทิศเหนือหลวงพ่อไม่ให้กลัวล็อกมันอู้อมาฆ่าก็ไม่กลัวล็อกเพราะหลวงพ่อไม่ได้บอกจะไปวายอย่างนั้นนะเไมยคนมาทางทิศเหนือก็ตายได้เหมือนกัน่ะมันมาทิศไหนแต่โดยมากหลวงพ่อบอกว่าโดยมากมันจะมาทางทิศตะวันตกเสียงใต้ลมพายุตัวนี้ พายุโซนร้อนเนี่ยที่มันที่เคยเห็นมามากต่อมาก เ, เวลามันจะมามันจะสีแดงสักขอนโอ้โอ้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้านาทีกว่าที่มันจะถึงเรานะเราก็พร้อมที่จะหลบได้แต่รีบนะช้าช้าไม่ได้รีบวิ่งไปหากำแพงอหลมีร่มอันนึงมีไฟฉายตัวนึงทมันค้ำนะ้ามันกลางวันก็ไม่จำเป็นไฟฉาย แต่มันสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยต้องเตรียมรถไฟจายสายถุงพลาสติกมัดให้ดีสายล่มเว่งเลยไม่ต้องเอาของในกุฏิทิ้งพวกบาดเจ็บบาดไต้องเอามารอกพลุงพลังเทิ้งไว้นั่นอ่ะจากนั้นเราก็หลบ ก, ก่อนอไปท่อที่ไหนชอพานดูห้วยทรายกันมุดเข้าไปอยู่ในท่อนอ่ะมันจะมาทางไหนก็มาเถอะผลไม่ต้องกลัวมัน อันนี้ก็คือวิธีการหลบฟ้าฝนหลบพายุนะแต่หลบมรณะภัยนระหลบไม่ได้นะลูกหลานนะมีแต่ให้ภาวนาถอดถอนกิเลสภายในใจไม่มาเวียนต้ว่ไยตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นแปลว่าหลบหลบมรณะภยัยถึงเราจะไปหลบที่ไหนหออลบได้แต่ฟ้าฝนนะแต่หลบความตายหลบไม่ได้ ต่อไปแก่เข้าแก่เข้าถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหนีหลีกลี้หนีพ้นไปได้แต่นี้หลวงพ่อบอกเนี่ยครับเนี่ยหนีลมดีหนีพายุหนียังไงหนีช้างหนีเสือหนียังไงหนีงูหนียังไงหนีอริศตูหนียังไงหนีฟ้าลูกเห็บหนีอย่างไรแต่หนีมรณะภัยหลวงพ่อเคสอนอีก พระพุทธเจ้าสอนวันหนีมรณะภัยแต่ชาตินี้ถึงยังไงกันนี้ไม่พ้นพวกเราจะต้องตายแ น, แน่แต่ว่าเมื่อตายไปแล้วะจะต้องมาเกิดอีกนตายอีกแต่นี่จะทํายังไงพระพุทธเจ้าจว่าเอาเธอเกิดมาแล้วชาตินี้มันแก้ไม่ได้แล้ะมันเป็นผลในอดีตแต่เมื่อถึงพบในชาตินี้แล้วได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไร เราก็ปฏิบัติตามทำคำสอนถอดถอนกิเลสราคะโธสะโมหะออกจา ก, กจิตใจทำให้ใจิตใจหมดกิเลส น, ะนั่นแหละไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นแหละคือหนีมรณะภยัยมีทางเดียวนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนนะภาวนานะหนีมรณะภยัยหนีความตายคือภาวนาถ้าหางฝ่ายไม่ภาวนาเนดะี๋วจึงหนีไปที่ไหนกันหนีไปมันไม่พ้นล่ะ เ, เกิดมาพบนายชาติหน้าก็ตายอีก เ, อเกิดชาตินี้ผลงพ่อแนะนำแต่หนีหนีลมหนีฝนหนีพายุเถ่ะนะ ท, ที่พูดใดฟังนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกลูกหลานทุกคนนะทศายาติจุลทุกคนนะที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะเนี่ยหลวงพ่อม่ถ้าสอนว่าถึงอย่างไงถึงจะหลบฤกษ์อย่างไงก็หลบฤกษนะ์เถอะแต่หลบฤกษ์มรณะภัยมีแต่ภาวนาเท่านั้นแหะ เราอย่าไปพึ่งพาอาศัยร่างกายของเราจนเกินไปอย่าไปพึ่งพาอาศัยธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือธาตุดินก็คืออาศัยกระดูกกระดูกในร่างกายของเขาตนเองธาตุน้ําก็คืออะไรก็ ค, คือเลือดปัสวะธาตุเลือดธาตุลมคือลมหายใจเข้าออกธาตุไฟคือทำทําให้ร่างกายโอปุลในร่างกายเนี่ยเราจะไปพึ่งอะไรล่ะท่นไหไปพึ่งธาตุดินใช่ไหม ไปพึ่งธาตุน้าใช่ไหมไปพึ่งธาตุไฟใช่ไหมไปพึ่งธาตุลมใช่ไหมอออีกสักหน่อยหนี่งธาตุทั้งสีมันทะเลาะกันอีกเถอะเนี่ยธาตุทั้งสีมันอยู่ด้วยกันสีตัวเดี๋ยวธาตุน้ำเอ้ยมึงต่ว่าธาตุดิ่งเก่งกูไม่เอาน้ําไปเลี้ยงมึงเป็นยังไงแตกไรแหง้งอช่ไหมผลในสุดธาตุไฟเอ้ยกูไม่เออเาความอุ่นเข้าไปมึงจะอยู่ได้เหรอ เดี๋ยวธาตุลบเองเดี๋ยวกูปิดจมูกมึงออมึงจะอยู่ได้หนะรือพอในสุดไอ้สี่ธาตุมันก็จะแตกส้ำะคีกันอีกเธเนี่ยเพราะนั้นพญาจิตรราชคือใจของเราเนี่ยมันอาศัยธาตุสี่เนี่ยขน า, าดธาตุเดียวก็ยังพอแรงเลยธาตุสี่สี่คนเลยมันเกี่ยงกันอีกทธอเนี่ยเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาพญาจิตราชกับเพนนีอัดหลาดแล้วเนะี่อ <c oughs> พอเหตุไรเรามาอาศัยธาตุสี่ วันนั้นพวกเราท่ทานทั้งหลายนะอย่าไปพึ่งพาอาศัยมันมากเกินไปอาศัยไปด้วยหาหาทางออกไปด้วย เ, เหมือนกับเราอยู่ในเรืออย่างนั้นแหละมันเราอยู่ในเรือแล้วก็มองหาฝั่งด้วยเราจะไปทางไหนมันใกล้ทางไหนไม่มีคลื่นทางไหนมันปลอดภยัยทางไหนมันจะดีกว่านะเมื่อรเรานั่งอยู่ในเรือนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเร า, านั่งอยู่ในธาตุสี่ ในร่างกายของเราเราจะไปชราใจเราจะไปนอนใจกับธาตุสีดินน้ำหลมไฟเกิเกินไปไม่ได้นะ เ, เราต้องหาทางออกหาทางออกคืออะไรให้ภาวนาให้ประกอบคุณงามความดีให้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็อนี่ยนะบเพ็ญจิตภาวนาให้พลทุกข์อย่างที่ว่า น, นะตัดกิเลสเอาถอดถอนกิเลสภายใ น, ในใจออกอแล้วก็ พ้นทุกในวัตะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดข้านอกถ้าว่าอยู่ในโลกนี่เลอเรามาอาศัยแต่ธาตุสีอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวธาตุสีทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะพยาจิตตลาดนะใจของเราก็เห็นแหนบเหมือนกันอยู่ไม่ได้พอลูกน้องทะเลาะกันนะต่อเ น, นี้ไปรลบพอในตรีนะ้า